อาชาตสัตตูกุมารวัตถุว่าด้วยเรื่องอาชาติศัตรูกุมารครั้งนั้นพระเทวทัต เข้าไปหาอาชาติศัตรูกุมารถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับอาชาติศัตรูกุมารดังนี้ว่าพระกุมารเมื่อก่อนมนุษย์ทั้งหลายมีอายุยืนบัดนี้มีอายุสั้นการที่พระองค์จะพึงสิ้นพระชนเมื่อ ย, ยังเป็นพระกุมารเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ถ้าเช่นนั้นพระองค์จงปรงพระชนพระชนก แล้วเป็นพระราชาอัตมาก็จะปลงพระชนพระผู้มีพระภาคแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าครั้งนั้นอาชาศัตรูกุมาดรดาริว่าพระกุณเจ้าเทวทัตมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากพระกุณเจ้าเทวทัตจะต้องรู้วันหนึ่งได้เน็บกฤษแน่พระเพลาทรงกลัววาดวันสะดุ้งตกพระไทย สเสด็จเข้าไปในพระราชวังอย่างเร่งรีบช่วงเวลากลางวันพวกมหาอัมมั์ที่เฝ้าประตูพระราชวังแลเห็นอาชาศัตรูกุมารมีอาการกลัวหวาดวันสะดุ้งตกพระไทยสเสด็จเข้าไปในราชวังอย่างเร่งรีบช่วงเวลากลางวันจึงได้จับไว้มหาอัมาั์เหล่านั้นตรวจพบกริชเนบอยู่ที่พระเพลา ยังทูลถามอชาชาศัตรูกุมารดังนี้ว่าพระองค์มีประสงค์จะทําอะไรพระเจ้าค่ะอชาชาศัตรูกุมารตรัสตอบว่าเราประสงค์จะปลงพระชนพระชนกมหาอัมมาทูลถามว่าพระองค์ถูกใครยุยงอชาชาศัตรูกุมารตรัสตอบว่าพระกุณเจ้าเทวทัต มหาอมาตย์บางพวกลงมติอย่างนี้ว่าควรปรงพระชนพระกุมารฆ่าพระเทวทัตและฆ่าภิกษุทั้งหมดมหาอมาตย์บางพวกลงมติอย่างนี้ว่าไม่ควรฆ่าภิกษุทั้งหลายเพราะพวกภิกษุไม่มีความผิดอะไรควรปรงพระชนพระกุมารและฆ่าพระเทวทัตเท่านั้นมหาอมาตย์บางพวก ลงมติอย่างนี้ว่าไม่ควรปลงพระชนพระกุมารและไม่ควรฆ่าพระเทวทัตทั้งไม่ควรฆ่าพิกษุทั้งหลายแต่ควรนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบพวกเราจะปฏิบัติตามที่พระราชารับสั่งลําดับนั้นมหาอมาตเหล่านั้นคุมอาชาศัตรูกุมารไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสาร จอมทัพมคตรัฐถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วกราบทูลเรื่องนั้นให้พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐส่งทราบพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐรรรตรัสถามว่าท่านทั้งหลายพวกมหาอามาตลงมติกันอย่างไรพวกมหาอามาตกราบทูลว่าพระเจ้าค่ะมหาอามาตบางพวก ลงมติอย่างนี้ว่าควรปลงพระชนพระกุมารฆ่าพระเทวทัตและฆ่าพิกษุทั้งหมดมหาอามาตย์บางพวกลงมติอย่างนี้ว่าไม่ควรฆ่าพิกษุทั้งหลายเพราะพวกพิกษุไม่มีความผิดอะไรควรปรงพระชนพระกุมารและฆ่าพระเทวทัตเท่านั้นมหาอามาตย์บางพวกลงมติอย่างนี้ว่า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 ต่อมาพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐรับสั่งถามอาชาตศัตรูกุมารว่าลูกต้องการฆ่าพ่อเพื่ออะไรอาชาตศัตรูกุมารกราบทูลว่า à, ม่อมฉันต้องการราชสมบัติพระเจ้าค่าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐตรัสว่าถ้าลูกต้องการราชสมบัติราชสมบัติ ก็เป็นของลูกแล้วส่งมอบพระราชสมบัติแก่อชาติศัตรูกุมาร